คือวันแห่งการฟังซึ่งธรรมอันเวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งแต่ก่อนที่จะได้บรรยาธรรมต่อไปก็ขอให้ทุกท่านได้สารวมกายวาจาและทราจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่กับตัวบางท่านอาจจะเคยชินกับการดูลมหายใจบางท่านก็อาจจะเคยชินกับบทบริกรรมต่างๆมีพุทโธเป็นต้น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 พุทธศักราช 2,565 ซึ่งตรงกับวันพระขึ้น8ค่ำเดือน6ปีขานนี่ก็อีกเพียง7วันก็จะเป็นวันวิสาข บ, บูชาซึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในศาสนาของเราชาวพุทธพอพูดถึงวันวิสาข บ, บูชาสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต่างจำกันได้เป็นอย่างดีก็คือ เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระผู้พิชิตมารเป็นผู้ผลานกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพระทัยของพระองค์ถึงซึ่งฝั่งคือพระนิพพานได้ด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นการราลึกถึงวันสําคัญนันยิ่งใหญ่นี้เราก็มักจะนิยมเข้าวัดฟังธรรม อีกทั้งเดินเวียนเทียนเพื่อถวายสักการะในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณวันวิสาขาบูชานี้นอกจากจะเป็นวันที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็เป็นวันที่ตรงกับวันที่พระองค์ได้ทรงดับขันธปรินิพานด้วยเป็นวันที่พระองค์ได้ทรงสิ้นสุดการทาหน้าที่เป็นวันจากลาอย่างไม่มีวันกลับ เป็นการจากลาอย่างองอาจบริสุทธิ์งดงามถึงแม้พระองค์จะทรงดับขันธปรินิพานไปแล้วแต่ก็ทรงทิ้งวรดกคือพระธรรมและพระวินัยไว้ให้เหล่าบรรดาสัตว์โลกผู้หวังความพ้นทุกข์ให้ได้เรียนรู้ศึกษาเพื่อที่จะได้นำพาตนให้พ้นจากทุกข์ถึงซึ่งบรมสุขคือนิพพานตามรอยพระศาสดา อันหนึ่งประดำรสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะทรงหยุดทุกอย่างเพื่อเข้าสู่การปรินิพานก็เป็นอะไรที่เราได้ยินกันจนคุ้นชินนั่นก็คือวยธรรมาสร้างฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดธะความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงยังกิตทั้งปวง ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดประดมรัสนนี้ถ้าจะพูดให้ดูเป็นสถานการณ์แบบบ้านๆหน่อยก็คือคาสั่งเสียของพระองค์นั่นเองพอใช้คำว่าคำสั่งเสียอะภาพที่เป็นก็คือเป็นอะไรที่สำคัญมากๆนั่นเองถ้าลองนึกถึงสถานการณ์ทั่วไปของคนก่อนที่จะตาย คำพูดช่วงท้ายก็ต้องเป็นคำพูดที่สำคัญไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความลับที่อยากจะสารภาพบางคนก็อาจเป็นการฝากฝังสิ่งที่ทำค้างไว้แต่ทำไม่สำเร็จบางคนก็พูดเพื่อแสดงความรู้สึกต่างๆกับบรรดาบุคคลอันเป็นที่รักเหล่านี้เป็นต้น ซึ่งคำพูดเหล่านี้ก็ต้องเป็นคำพูดที่ผู้พูดต้องพยายามสรุปเรียบเรียงทำให้กระชับได้ใจความครบถ้วนที่สุดในเวลาอันจำกัดที่เหลืออยู่ในบางการณีก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับบางคนที่อาจจะถ่ายทอดได้ไม่หมดก็สิ้นลมไปสิก่อนสำหรับบุคคลก่อนที่จะตายจากอัตภาพนี้ก็เป็นแบบนี้ แม้องสมเด็จพระชินวรนเองก็เช่นเดียวกันก่อนที่พระองค์จะทรงปิดพระโอษฐ์แล้วเข้าสมาธิเพื่อจะเข้าสู่การดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั้นพระองค์ก็ต้องทรงประมวลสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อมูสัตรสรุปให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายและครอบคลุมคำสอนทั้งปวง นั่นก็เป็นคําบาลีที่ได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่คือวยะธรรมาสร้างฆาราอปปมาเดนะสัมปาเดธาสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาขอเธอทั้งหลายจงยังกิดทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิดเมื่อพิจารณาถึงพระดํารัสสั่งเสียนี้ให้ละเอียดแล้วก็มีหลายๆประเด็นที่เราควรนํามาพิจารณา ทำความเข้าใจและทําให้เห็นเป็นผลประจักษ์กตนอย่างแรกคือส่งชี้เตือนและตอกย้ำความเป็นจริงของโลกใบนี้ให้เห็นนั่นก็คือโอยะธรรมาสร้างฆาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานี่ก็เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงพยายามชี้และปรับทัศนคติของผู้ฟัง ให้มีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเสียก่อนถ้าเพียงแค่อ่านและฟังเพียงเผลอๆก็คงได้แค่ความคิดที่ไม่คัดค้านในคําสอนเฉยๆแต่ถ้าเราลองย้อนถามลงไปในใจของตนเองแล้วว่าในวันหนึ่งหนึ่งหรือในชั่วโมงหนึ่งหนึ่งหรือในนาทีหนึ่งหนึ่งนั้น เรารู้สึกถึงความที่สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งบุคคลโดยส่วนมากก็ยังมีความเห็นความรู้ไปในทางนี่เป็นเรานี่เป็นของของเรานี่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนอีกทั้งยังรู้สึกว่าสิ่งต่างๆก็จะอยู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆไม่ค่อยได้จะรู้สึกว่า มันจะเปลี่ยนแปลงเสื่อมไปแม้แต่กระทั่งตัวเราเองเราก็ไม่ค่อยได้รู้สึกถึงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นสิ่งที่ควบคุมบังคับบัญชาไม่ได้มีความเสื่อมอยู่เป็นหนึนิดสาหรับบางคนอาจจะคิดหรือรู้สึกถึงความจริงต่างๆเช่นความไม่เที่ยงความเสื่อม ความตายเป็นต้นเหล่านี้อยู่แต่สัดส่วนระหว่างความรู้เห็นตามเป็นจริงนี้มีน้อยหรือเกินนานๆอาจจะระลึกได้สักครั้งหนึ่งแต่ในส่วนของการที่ระลึกได้นั้นก็มีส่วนที่ระลึกได้แบบมีคุณภาพและไม่มีคุณภาพอีกด้วยเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็ขอวกเข้ามาส่วนท้ายของพระดำรัตก่อนคือ อาประมาเดนะซัมปาเดธคือขอเธอทั้งหลายจงยังกิดทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพอได้ยินคำแปลแบบนี้แล้วหลายๆท่านก็อาจจะอยากให้ช่วยแปลไทยเป็นไทยเพิ่มเติมสักหน่อยเพราะดูเป็นสำนวนเก่าอาจจะเข้ากับยุคสมัยใหม่ได้น้อยโดยเฉพาะคำว่าถึงพร้อม ก็จะดูเป็นอะไรที่เข้าใจยากสักหน่อยแต่ก็ถือว่าการแปลแบบนี้ก็เป็นการแปลที่ยังคงไว้ซึ่งรากศัพท์ทางบาลีไว้ได้ครบถ้วนดีคำว่าถึงพร้อมก็แปลออกมาจากประดาธาตุในความถึงมีสังแปลว่าพร้อมเป็นบทหน้าทีนี้คำว่าถึง สับนี้ส่วนมากเราก็จะใช้กันเพื่อสื่อความหมายที่กล่าวเน้นจุดหมายหรือจุดสิ้นสุดของสองจุดเช่นมาถึงวัดตอน9ก้าโมงเช้าจะได้ทันฝั่งเทศประโยคนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงว่าวัดเป็นจุดหมายปลายทางหรือพูดอีกแง่นหนึ่งคือการที่มาอยู่ที่วัดตอน9ก้าโมงเช้านั้น เป็นการทำภารกิจได้สำเร็จนั่นเองฉะนั้นคาว่าถึงนอกจากจะมีความหมายตรงๆคือเพื่อแสดงจุดหมายหรือจุดสิ้นสุดแล้วก็ยังกินความหมายของคำว่าสำเร็จอีกด้วยเช่นถึงจุดหมายถึงเส้นชัยเหล่านี้ล้วนมีในยะของการทำภารกิจได้สำเร็จควบคู่ไปด้วยนั่นเองส่วนศัพท์ว่าสำ ในคำว่าสัมปาเดฒานั้นสับเดิมคือสังมีความหมายที่นักเรียนบาลีใช้กันบ่อยๆสามตัวคือพร้อมกับดีซึ่งโดยในของคำว่าพร้อมภาษาไทยก็มีได้หลายๆความหมายเช่นร่วมกันยกตัวอย่างเช่นทานข้าวพร้อมกันหรือในความหมายของครบครันเช่น เตรียมพร้อมดีพร้อมอันหนึ่งถ้าให้อธิบายมากกว่านี้ก็จะดูฟั่นเฟือมากเกินไปพานแต่จะยิ่งสับสนฉะนั้นธรรมาก็จะขอสรุปว่าคำว่าถึงพร้อมถ้ากล่าวให้ฟังดูเข้าใจร่วมสมัยขึ้นนั้นก็ขอแปลว่าสำเร็จอย่างครบครันสำเร็จอย่างครบถ้วนสำเร็จอย่างดี เมื่อพูดมาถึงตรงนี้ก็มีคำถามว่าแล้วพระพุทธเจ้าทรงวางเป้าหมายวางจุดหมายอะไรไว้ให้พุทธบริษัทเพื่อที่จะทำให้สำเร็จอย่างครบถ้วนสำเร็จอย่างดีจากตัวพระบาลีที่ว่าอ ป, ปมาเดนะสัมปาเด t a ตัวที่จะแสดงถึงเป้าหมายนั้นตัวประโยคบาลีไม่ได้กล่าวไว้เป็นคำศัพทรงเว้นว่างไว้ซึ่งก็คือ ทรงเปิดกว้างให้สามารถตีความได้กว้างขวางให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละคนมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาโบราณอาจารย์ส่วนมากก็จะแปลโดยยกคำว่าประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นขึ้นมาเป็นส่วนเติมเต็มซึ่งส่วนเติมเต็มนี้บางท่านก็อาจจะใช้เป็นพระนิพพานก็ได้พรมจรรย์ก็ได้สุดแท้แต่การตีความ ส่วนในที่นี้อาตมาก็ขอยกศัพท์ว่าสรรพกิจจังหรือกิจทั้งปวงเข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มในประโยคพอพูดถึงคำว่ากิจหรืองานในศาสนานี้อาตมาภาพก็อยากให้ทุกท่านได้ลองคิดพิจารณาแล้วลองนึกตอบตัวเองอยู่ในใจก่อนว่ากิจในศาสนานี้เราตีความไว้แบบไหนมีอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้ลองมาเทียบเคียงกับที่อาตมาจะได้นำเสนอต่อไปกิจหรืองานในศาสนานี้ก็สามารถมองได้หลายแงยม่มุมถ้ามองในแง่ของข้อประพฤติปฏิบัติก็ต้องพูดถึงอริยมรตมีองค์ส่วนวันนี้อาตมาภาพก็ขอนำเสนอในแง่ของหลักการทางศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสแสดงไว้แก่มูพิกษุในวันเพ็ญเดือนมาคะว่าสัพ ป, ปปาปัสสะอาการณงการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งกุศลสู้ประสัมปดาการทำความดีให้ถึงพร้อมหนึ่งสจิตตะปริโยดปนังการทำจิตให้ผ่องใสหนึ่งเอตังบุตานศซาสนังนี้เป็นคำสอนของผู้รู้ หรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งการทำตามสามข้อที่กล่าวนี้ได้ก็จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่พระองค์ทรงแสดงไว้เป็นหลักใัยคือการทาที่สุดแห่งทุกข์หรือพูดให้เป็นภาษาที่ง่ายพออนุโลมความหมายได้ก็ได้ว่าถึงซึ่งความพ้นทุกข์นั่นเองฉะนั้น เรามาเริ่มพิจารณาในรายละเอียดของแต่ละข้อกันดูสัพป ป, ปาปะสะอาการณงังการไม่ทำบาป ท, ทั้งปวงเพียงแค่ฟังคำแปลหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าจะทำได้ลำบากเพราะดูจะมีสิ่งที่ต้องทำเยอะมากแต่แท้จริงแล้วงานข้อนี้เป็นอะไรที่สามารถทำทุกอย่างได้พร้อมกันในทีเดียว อธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าไม่ว่าความชั่วบาปจะมีมากมายขนาดไหนจะหนึ่งอย่างสองอย่างพันอย่างหรือกี่อย่างก็ตามทั้งหมดนั้นเราสามารถทำการหยุดกันละกันเว้นคือไม่กระทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นลงได้ในขณะเดียวเลยกุศลสู้ประสึ่มปรดาการทำความดีให้ถึงพร้อม หัวข้อนี้ก็น่าจะทำให้หลายๆท่านรู้สึกว่ามีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมากมายอีกเช่นกันแต่ความเป็นจริงแล้วก็ต้องทำอะไรหลายๆอย่างก็จริงแต่ก็ทำเพียงแค่ในส่วนที่จาเป็นต้องทำเท่านั้นถ้าเราเปรียบเทียบการไม่ทำบาปทั้งปวงกับการทำความดีให้ถึงพร้อมนั้นการไม่ทำบาปทั้งปวงโดยศักดิ์ก็ระบุชัดในตัวอยู่แล้วว่า ทั้งปวงหรือทั้งหมดนั่นเองส่วนการทําความดีให้ถึงพร้อมโดยตัวศัพ์เองก็ไม่ได้ชี้หรือบอกว่าให้ทําทั้งหมดแต่มีนัยยะว่าให้ทําเท่าที่จำเป็นหรือทําให้ครบเงื่อนไขในการที่จะทําให้สําเร็จหรือบรรลุเป้าหมายเท่านั้นซึ่งตัวบ่งบอกว่าทาเท่าที่จาเป็นนั้นก็คือศั์ว่าอุปสัมปดา หรือถึงพร้อมนั่นเองถ้าจะให้อธิบายศัย์ถึงพร้อมเพิ่มอีกก็เกรงว่าจะฟั่นเฟือและจะทําให้ออกนอกประเด็นไปคิดว่าการยกตัวอย่างน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากกว่าเปรียบเหมือนนักสู้หรือนักมวยการที่จะเป็นนักมวยก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างแน่นอนที่ทุกคนเห็นภาพเดียวกันคือ ต้องมีทักษะในการต่อสู้ในการออกหมัดเท้าเข่าศอกแต่การจะเป็นนักมวยหรือนักสู้ที่เก่งนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยอีกหลายปัจจัยปัจจัยทางด้านร่างกายก็เป็นสิ่งจําเป็นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและยืดหยุ่นก็จําเป็นต้องฝึกฝนเช่นต้องวิ่งออกกําลังเพื่อให้ปอดแข็งแรงและจุอากาศได้มาก แต่ก็ไม่จําเป็นถึงขนาดวิ่งเร็ววิ่งอืดเหมือนพวกนักวิ่งเร็วหรือนักวิ่งระยะไกลแต่ฝึกวิ่งเพียงเพื่อที่จะได้ไม่หมดแรงง่ายในขณะต่อสู้นั่นเองทักษะในการเตะให้ถูกต้องก็เป็นสิ่งสําคัญที่รู้อยู่แล้วแต่ถ้าปราศจากกระดูกที่แข็งแรงแล้วเตะเขาได้เราอาจจะเจ็บกว่าฉะนั้น การฝึกเพื่อที่จะปรับให้กระดดกแ ข, แข้งแข็งแกร่งขึ้นนี่ก็เป็นอีกปัจจัยจําเป็นเช่นกันจริงๆแล้วถ้าจะพูดให้ละเอียดก็มีรายละเอียดของส่วนต่างๆอีกมากแต่เพียงแค่นี้ก็พอชี้ให้ทุกท่านได้เห็นได้เข้าใจถึงว่าถ้าองค์ประกอบของความสำเร็จนั้นเราทําได้ครบถ้วนและทาได้อย่างมีคุณภาพแล้ว เราก็จะสามารถทำงานหรือทำกิจนั้นๆได้ลุล่วงประสบผลสำเร็จได้อย่างดีแน่นอนฉะนั้นการทำความดีให้ถึงพร้อมนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูเส้นชัยหรือหลักชัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางไว้ให้ก่อนซึ่งก็คือการทำที่สุดแห่งทุก์หรือถึงซึ่งความพ้นทุกนั่นเอง ฉะนั้นการทำความดีงามต่างๆเพื่อที่จะให้ถึงความพ้นทุกนั้นก็มีสิ่งที่ต้องทำมากมายหลายอย่างบางท่านอาจจะทำได้แล้วในหลายๆส่วนแต่บางส่วนก็ยังทำไม่ได้หรือยังไม่ได้ทำก็ทำให้การทำความดีที่ผ่านานมายังไม่ถึงขนาดและยังไม่พร้อมที่จะบรรลุถึงเป้าหมายคือการถึงซึ่งความพ้นทุกนั่นเอง พออาตมาพูดแบบนี้หลายท่านอาจจะเกิดความรู้สึกท้อแท้ขึ้นมาอยู่บ้างแต่แท้จริงแล้วถึงแม้ว่ายังไม่ถึงขนาดแล้วยังไม่พร้อมที่จะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้นั้นทุกๆความดีที่เราได้ทำมันก็มีผลคือความสุขหรือการลดทอนความทุกข์ตามกําลังอยู่แล้วไม่ใช่ว่าต้องทำให้สำเร็จครบถ้วนทุกอย่างจึงจะได้รับผล เปรียบเหมือนนักมวยที่ซ้อมวิ่งอยู่เป็นประจำผลที่เขาได้รับคือกําลังที่เพิ่มขึ้นปอดที่แข็งแรงและอดทนมากขึ้นแต่อาจจะยังฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อได้ไม่ดีพอเวลาต่อสู้จริงเลยทําให้องศาการออกอาวุธก็ทําได้ไม่กว้างขวางหลากหลายก็อาจจะทําให้ต่อสู้ได้ลําบาก กรณีนี้ก็ชี้ให้เห็นได้ชัดเจนว่าทุกๆความดีที่เราได้กระทำไปก็มีผลตอบแทนตามเหตุตามกำลังอยู่ในตัวแล้วรอแต่เมื่อทำความดีที่จำเป็นทุกอย่างได้ถึงและพร้อมก็สามารถบรรลุถึงผลลัพธ์ท้ายสุดได้นั่นเองฉะนั้นความดีต่างๆเช่นการให้ทานเมตตาขันติ อุเบกขาปัญญาและอื่นๆอีกความดีเหล่านี้เราก็มีหน้าที่ทําให้ถึงพร้อมเมื่อความดีเหล่านี้พร้อมและถึงขนาดก็สามารถนําพาตนเองให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงลงได้ทีนี้ก็มาถึงจิตหรืองานสุดท้ายใน3งานที่กล่าวมานั่นก็คือสจิตตปริโยดปนัง คือการทำจิตให้ผ่องแผ้วถ้าพูดถึงงานในทางศาสนาถ้าได้ลองเทียบเคียงกับอีกหลายๆศาสนาแล้วก็จะมีทั้งความเหมือนกันและไม่เหมือนกันในส่วนที่เหมือนกันนั้นโดยหลักๆแล้วก็มุ่งเน้นให้สาวกเป็นคนดีให้เป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพื่อที่จะได้มีความสุขกายและสุขใจทั้งเราและผู้อื่นแต่ในส่วนของศาสนาพุทธเรานั้นนอกจากจะสอนให้เป็นคนดีคือทำดีพูดดีคิดดีแล้วพระองค์ก็ทรงยกระดับการทาความดีนั้นให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกขั้นคือในชั้นของจิตใจคือชำระจิตใจจากเครื่องเศร้าหมองให้เป็นจิต ที่ผ่องใสผ่องแผ้วพอพูดมาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะมีคำถามอยู่ในใจว่ามีกินมีใช้ไม่เบียดเบียนใครไม่ถูกใครเบียดเบียนมีมิตรมีคนรักแค่นี้ก็น่าจะมีความสุขที่เพียงพอแล้วทําไมต้องทำอะไรให้ดูประณีตให้มันดูยุ่งยากขึ้นไปอีกยิ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตเศร้าหมองเอ่ยผ่องใสเอ่ย ดูจะเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมดูซับซ้อนดูจะจับต้องได้ยากซึ่งถ้าใครได้ฟังและพอจำเทศครั้งก่อนๆของอาตมาได้บ้างอาตมาก็จะเน้นย้ำไม่เห็นถึงความสุขความทุกข์ที่เป็นใหญ่เป็นประธานของคนเรานั้นก็คือสุขทุกข์ทางใจฉะนั้นการที่เราเป็นบุคคลที่คิดดีทำดีพูดดีนั้น ยังไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเราจะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกขโดยสิ้นเชิงเพราะว่าใจเป็นใหญ่เป็นประธานการที่เราสามารถทำให้ใจปราศจากเครื่องเศร้าหมองกลายเป็นใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ได้นั้นจึงจะเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของบุคคลที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงความเป็นผู้จบกิจในศาสนาของพระศาสดา ขึนชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามรอยบาทของพระองค์ซึ่งมีจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานอันเป็นบรมสุขแท้นี่ก็ได้อธิบายกิจทั้งปวงโดยในของการไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงหนึ่งการทําความดีให้ถึงพร้อมหนึ่งและการทําจิตใจให้ผ่องแผ้วหนึ่งมาพอสมควรแม้อาจจะยังไม่ละเอียดละอ่ but เนื่องด้วยเวลามีจํากัด ก็จะขอวกกลับไปที่ส่วนสุดท้ายของพระบาลีอัปปมาเดนะสัมปาเดทะที่ว่าขอเธอทั้งหลายจงยังกิตทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดส่วนสุดท้ายที่ยังไม่ได้กล่าวถึงก็คืออัปปมาเดนะที่แปลว่าด้วยความไม่ประมาทถ้าพิจารณาประโยคนี้ให้ดีแล้วสัรพกิจจังที่ยกมาแปลเสริมนั้น ก็เป็นส่วนของภารกิจสัมปาเดธะก็เป็นส่วนของการกระทำคือต้องทำภารกิจให้สำเร็จให้ถึงทำให้ครบถ้วนและประมานะนี้ก็เป็นส่วนของเครื่องมือวิธีการเหตุแน่นอนว่าการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จนั้นก็ต้องอาศัยเครื่องมือ อาศัยหลายๆองค์ประกอบเกื้อหนุนกันจึงจะสําเร็จขึ้นมาได้ซึ่งในทีน่นี้พระพุทธองค์ก็ทรงเน้นย้ําเป็นพิเศษกับเครื่องมือที่มีชื่อว่าความไม่ประมาทนี่ก็แสดงให้เห็นได้ว่าถ้าปราศจากความไม่ประมาทแล้วไซการทํากิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมนั้นก็ไม่สามารถเป็นไปได้เลยแต่ก่อนจะพูดถึงความไม่ประมาทก็จะขอพูดถึงประมาทะ หรือความประมาทก่อนประมาทะหรือประมาทมาจากรากศัพท์คือมัทธาต์ในความเมาในความพลั้งเผลอซึ่งเป็นรากศัพท์ตัวเดียวกันกับคําว่ามัชชะที่แปลว่าน้ําเมาหรือสิ่งที่ทําให้เมาพอพูดถึงน้ําเมาที่เป็นวัตถุสิ่งของแบบนี้แล้ว ก็พอจะโยงทำให้เข้าใจถึงสภาวะของสั์ประมาทได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อคนได้ดื่มหรือกินมัตชะคือสิ่งที่ทำให้เหมาแล้วนั้นสภาวะของความประมาทก็จะแสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนตัวอย่างของคนที่ดื่มเหล้าหรือเสพสิ่งเสพติดก็จะมีอาการเมาพลังเผลอประมาทก็เป็นตัวอย่างที่ได้ภาพชัด และเข้าใจได้ตรงกันอย่างดีส่วนว่าความประมาทนั้นก็สามารถพูดหรือแจกแจงใช้ได้ในหลากหลายแงม่มุมวันนี้อาตมาภาพก็จะขอพูดเพียงแต่ในของการที่ความประมาทนั้นเป็นอุปสรรคในการทำการงานต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับกิจทั้งปวงเพื่อที่จะบรรลุถึงความสำเร็จในศาสนานี้คือการทาที่สุดแห่งทุก เป็นผู้ถึงซึ่งความพ้นทุกขโดยสิ้นเชิงอันหนึ่งถ้าพูดถึงผลลัพธ์ของความประมาทก็ได้กล่าวไว้แล้วว่าคือจะทำให้การงานไม่สำเร็จหรือทำได้แต่ไม่ได้ผลที่ดีแล้วเหตุของความประมาทละ่ะคืออะไรมูลเหตุของความประมาทนั้นพระอาจรยกาถาจารย์ท่านได้แจกแจงไว้สองคือ มีตันหาหนึ่งและมีอวิชชาหนึ่งเป็นมูลเนื่องด้วยเวลามีน้อยอาธรมภาพก็จะพูดแต่ในเฉพาะประเด็นที่มีผลต่อการทําที่สุดทุกเท่านั้นแต่ก็น่าจะเพียงพอที่ท่านทั้งหลายจะได้นำไปคบคิดต่อยอดในประเด็นอื่นๆต่อไปในวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศธรรมครั้งแรกนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกลน ก่อนที่จะแสดงความจริงที่ทรงได้ค้นพบก็คือพระองค์ได้แสดงส่วนสุดสองอย่างที่สัตว์โลกถือเอาหรือถ้าเปรียบเป็นเส้นทางก็คือเลือกที่จะเดินอยู่ในสองเส้นทางนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งส่วนสุดสองอย่างที่ว่าก็คือการมาสุขขลิกานุโยคคือการประกอบตนให้มัวเมาความสุขในการทั้งหลายเป็นทางที่พระองค์ตรัสว่า ฮีโน <H> เป็นของเลวกมโมเป็นของชาวบ้านโปรตูเจนิโกเป็นของปุทุชนอนนัทเสันฮีโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ส่วนสุดอย่างที่สองคืออตตกิลมานุโยคคือการประกอบตนให้ลำบากเป็นทางที่ทรงแสดงว่าเป็นทุกข์ไม่ประเสริฐไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ จากนั้นก็ทรงแสดงทางอีกเส้นที่พระอ ง, งค์ทรงค้นพบที่พระองค์ทรงให้ชื่อว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นทางที่เป็นไปเพื่อเกิดจักษุเกิดยานคือความรู้เป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อพระนิพพานทีนี้การที่เราทำที่สุดแห่งทุก ให้สําเร็จไม่ได้นั้นแน่นอนความประมาทก็เป็นตัวจากสําคัญนั่นก็หมายถึงว่าเราถูกความประมาททําให้หลุดออกจากทางเดินคือมัชชิมาปฏิปทาไปเดินบนเส้นทางของกาลมาสุขขลิกานุโยคหรืออัตตกิลมัฐานุโยคทางใดทางหนึ่งแต่โดยส่วนมากแล้วเรามักจะถูกผลักให้เดินบนเส้นทางของกาลมาสุขขลิกานุโยคซะเป็นส่วนมาก พูดอธิบายหลักการแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพที่ชัดสักเท่าไหร่ยกตัวอย่างน่าจะเห็นภาพได้ดีขึ้นแต่ก็อย่างที่ได้กล่าวไว้ก็จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการที่จะทําที่สุดแห่งทุกข์เป็นสําคัญฉะนั้นธรรมดาของผู้ที่ปรารถนาความพ้นทุกข์ก็จะเป็นบุคคลที่เลือกเดินบนเส้นทางของมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งประกอบไปด้วยหนทางดําเนิน8อย่าง หรือที่เราคุ้นกันในชื่อว่าอริยมรตมีองค์แมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบคือมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบาปมีบุญมีชาติก่อนมีชาติหน้ามีทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนเห็นโทษของกรรมทั้งหลายอีกทั้งเห็นถึงความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับทุก เหตุเกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เห็นถึงความสุขทุกข์ที่ใจเป็นใหญ่เป็นประธานจะ ถ, ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ใดนั้นก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติลงที่ใจเป็นสำคัญนี้สัมมาทิฏฐิเป็นข้อต้นในอริยมรรคมีองค์แและรวบจบลงที่สัมมาสมาธิคือใจตั้งมั่นชอบ ดังนั้นผู้ที่ฝึกหัดกายใจตนเพื่อหวังความพ้นทุกนั้นก็จะเป็นผู้ที่พยายามทำกิจสามอย่างที่กล่าวไว้แต่ตอนตอน้นคือไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งทำความดีให้ถึงพร้อมหนึ่งและทำจิตใจให้ผ่องแผ้วหนึ่งให้ได้สมบูรณ์พร้อมซึ่งงานทั้งสามอย่างนี้ถ้าจะพูดอีกแง่หนึ่งก็เป็นงานชิ้นเดียวกันแต่นำเสนอสามแง่มุม จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งและไม่ทำอย่างที่เหลือนั้นก็ไม่สามารถทำให้งานนี้สำเร็จสมบูรณ์พร้อมได้เหมือนคนที่ไม่เบียดเบียนใครๆชอบช่วยเหลือผู้อื่นถึงแม้จะดีขนาดนี้แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ก็ยังสามารถเป็นคนที่มีทุกข์ทางใจได้เป็นคนที่ยังมีเบื่อเศร้าเหงาเซงหรือทุกข์ทางใจครอบงำได้อยู่ ทั้งนี้ก็พราะข้อที่ว่าทําจิตใจให้ผ่องแผ้วนั้นยังถูกละเลย อ, อยู่จึงทำให้ขาดเครื่องมือหาความสุขในภายในและเครื่องมือป้องกันความทุกข์ใจส่วนบุคคลที่พยายามเข้าสมาธิหาความสุขในภายในพยายามทํางานทางจิตใจเพื่อทําให้ใจผ่องใสแต่ละเลยเรื่องศีลหรือการละบาป บุคคลนี้ก็จะทําให้ใจผ่องใสได้ยากมีอุปสรรคในการทําที่มากเพราะความเดือดร้อนที่ได้จากการทําบาปอากุศลนั้น <c oughs> ก็จะเป็นสิ่งรบกวนจิตใจไม่ให้สงบระงับได้ง่ายส่วนบุคคลที่รักษาศีลได้ดีอยู่ตลอดกระทําความดีสม่ําเสมอให้ทานบ้างฝึกสมาธิภาวานาบ้างตามสมควร แต่ก็ยังยินดียึดติดในกามาสุขอยู่ไม่เห็นโทษของกามจึงไม่สามารถที่จะคลายอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นลงได้มีความยึดถือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของของเรานี่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนแต่สภาวะความเป็นจริงนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่เที่ยงแท้ถาวร เมื่อถึงคราวที่สิ่งต่างๆที่เรายึดติดยึดถือนั้นมันแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงหรือสูญสลายไปความทุกข์เพราะเนื่องด้วยความยึดถือจากการมีความเห็นผิดนั้นก็จะย่ำยีจิตใจของบุคคล น, นั้นจากหลายๆกรณีของการที่ไม่สามารถทำภารกิจมีการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมและการทาจิตใจให้ผ่องแพ้วให้สาเร็จ ให้ถึงพร้อมได้นั้นอุปสรรคใหญ่ที่มีร่วมกันนั่นก็คือความไม่รู้ตามความเป็นจริงและตัณหาคือความทยานอยากในจิตใจอันเป็นมูลรากของสภาวะที่เรียกว่าความประมาทซึ่งถ้าลงในรายละเอียดอีกสักนิดของอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จก็ <c oughs> น่าจะเห็นหน้าตาความประมาทได้ชัดขึ้นเช่น ความเห็นผิดว่าชีวิตยังมีอีกยาวยังไม่ตายหลงง่ายๆหรือตอนนี้ยังแข็งแรงยังต้องรีบขยันสร้างเนื้อสร้างตัวการเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อฝึกฝนตนยังเป็นสิ่งไม่จำเป็นยังไม่เรียบเร่งต้องทำไว้เมื่อการงานอาชีพมั่นคงมีครอบครัวที่มั่นคงมั่งคั่งแล้ว แกตัวไปก็ค่อยเข้าวัดฝึกหัดปฏิบัติซึ่งสวนทางกับความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเตือนไว้ว่าอัจเจวกิจจมาตะปังโกจัญญามรนังสุเวให้พึงทําความเพียรเสียตั้งแต่วันนี้ใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาในวันพรุ่งหรือถ้ากล่าวสมนวนสักหน่อยก็ได้ว่าใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมาตอนไหน เมื่อไม่เห็นตามความเป็นจริงแบบนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประมาทในวันเวลาในวัยประมาทในการศึกษาเรียนรู้ประมาทในการทำความดีมีผลคือทำให้กิจที่ควรทำก็ถูกผัดผ่อนออกไปโดยอํานาจของตันหาเพราะมีความอยากทำสิ่งโน้นสิ่งนี้อันเป็นไปเพื่อหาความสุขทางกามมีผลคือ ทำให้ไม่รู้เท่าทันสิ่งต่างๆได้ตามสภาวะความเป็นจริงหลงไปกับสมมุติของโลกของกิเลสเมื่อไม่รู้ก็จึงหลงยึด ต, ติดมีความยึดมั่นถือมั่นจึงทำให้ตนลีกออกจากทางคือมัชิ ม, มาปฏิปทาไปสู่เส้นทางของกามสุ ข, ขันลิานุโยกแต่เมื่อมีความทุกข์ถูกต้องแล้วมีความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ สัมมาสติก็เริ่มที่จะทำงานพร้อมกับสัมมาสมาธิที่จะเป็นตัวคอยชี้เตือนให้เห็นถึงความเป็นจริงดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเตือนไว้ดังที่ยกไว้แต่ต้นว่าวยธรรมาสร้างฆาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเมื่อมีสติระลึกเห็นถึงความเป็นจริงนี้ได้ที่ใจ ดวงตาแห่งธรรมในใจก็เปิดทำงานได้เห็นโทษในความเห็นแบบเก่าด้วยอำนาจของกิเลสมีสติที่เป็นสัมมาสติคอยกำกับใจมีความเพียรที่จะคอยเฝ้าระวังและแผดเผากิเลสออกจากใจมีสัมมาสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นมุ่งมั่นทำงานอยู่ในภายในอย่างไม่ลดละไม่ปล่อยให้ตัญหามาคอยบงการจิตใจ ให้หลงออกนอกทางแห่งมรรคได้อีกฉะนั้นการไม่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงความผัดผ่อนในการทากิจที่ควรทาและอุปสรรคอื่นๆหรือที่สรุปรวมลงในศัพท์ว่าความประมาทส่วนความสมัครีของสัมมาสติที่เป็นเครื่องมือคอยกํากับใจสัมมาสมาธิ คือความรู้ความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงอีกทั้งความเพียรทาอย่างต่อเนื่องตั้งมั่นเหล่านี้ก็จัดเข้าเป็นพวกที่รวมลงให้ชื่อว่าความไม่ประมาทนั่นเองเมื่อสติสมาธิปัญญาความเพียรเหล่านี้ของบุคคลใดรวมตัวกันอย่างมีพลังแล้วความประมาทก็หมดไปความไม่ประมาทก็เกิดขึ้นเข้มแข็ง เป็นเหตุที่จะยังกิดทั้งปวงแห่งการที่จะทำตนให้ถึงความพ้นทุกข์ถึงซึ่งบรมสุขคือพระนิพพานให้ถึงพร้อมสมดังความตั้งใจของพระศาสดาที่ทรงตรัสเตือนไว้อ น, นึ่งอีกเพียงเจ็ดวันก็จะถึงวันสำคัญคือวันวิสาข บ, บูชาซึ่งอาตมาก็ได้นำพุทธธรรมรสุดท้าย ที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้เป็นมรดกธรรมคือวยธรรมมาสั่งฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดทะนำมาแจกแจงตามกำลังสติปัญญาแต่ด้วยว่าเวลาและปัญญาที่มีอย่างจำกัดก็อาจจะแสดงได้ไม่แจ่มแจ้งชัดเจนมากนะักแต่ทั้งนี้ถ้าท่านที่ฟังแล้วนำไปใช้เป็นเงื่อนเพื่อพิจารณาและนำไปปฏิบัติ ก็หวังว่าคงพอได้ประโยชน์ไปอยู่ไม่มากก็น้อยและจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่ดำเนินตามรอยบาทพระศัส ด, สดามีเบื้องหน้าคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงซึ่งฝั่งแห่งพระนิพพานต่อการไม่นานที่ได้แสดงรร ม, มาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุตติพระธรรมเทศนาลงแต่เพียงเท่านี้เอวัง